ภาสำรวมจิตใจนะวันนี้เรามานั่งใต้ต้นสีมหาโพเป็นสถานที่ตัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตอนเช้าเราก็ได้ไปดูสถานที่ที่พระพุทธเจ้ารับข้าว มาถูกปายาดจากนางสุชาดาไปดูบ้านนางสุชาดาแล้วก็สถานที่ลอยถาทองคําอธิษฐานอิฐถ้าหากว่าจะสามารถตัดสรุปทำขอให้ถาด น, นี้จงลอยทวนน้ําขึ้นไปเวลาฏกก ว, ว่าัวถาดนั้นก็ลอยทวนน้าขึ้นไปเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จมายัางสถานที่แห่ง น, นี้รับยาคายาพรามโพธทิพรามแล้วก็มายัางสถานที่แห่ง น, นี้เมื่อมาถึงแล้วพระองค์ผูกยา คาลงไปแล้วได้อธิษฐานความเพียนสละชีวิตเลยนี่แหละคือกำลังแห่งพระไทยขององค์สมเด็จพระสมาสัมพุทธเจา้าอธิษฐานความเพียนวัว่า หากว่าถึงแม้เนื้อเลือดจะเหืดแห้งเนื้อแต่หนังเอ็นหุ่มกระดูกก็ตามถ้าเราไม่บรรลุธรรมด้วยกําลังของลูกผู้ชายอย่างเราเราจะไม่ลุกจากบรลลังสละชีวิตเลยเนี่ยธรรมที่เราได้ยินได้ฟังซึ่งพระองค์ประทานเอาไว้นั่นพระองค์แลกมาด้วยชีวิตของพระองค์สละชีวิตก่อนหน้าที่พระองค์จะตัดสู่ธรรมในสมัยที่พระองค์เป็นโพธิสัตว์อยู่พระองค์ก็มีการอธิษฐานเพื่อทําความ เพียนเหมือนกันมีอยู่สองอย่างข้อที่หนึ่งพระองค์อธิษฐานความเพียนเอาไว้ว่าจะไม่สำโดดในกุศลในคุณงามความดีเดียกมีโอกาสจะต้องกระทำบำเพ็ญไม่ถออถอยไม่เบื่อนายไม่ถอดใจแล้วก็ไม่สันโดดด้วยถ้าหากว่าใครมีความมุ่มั่นอย่างเดียวกับพระพุทธเจ้า คือปรารถนาที่จะทำความอาปรารถนาที่จะทำบุญกุศลทำคุณงามความดีไม่สันโดษไม่เบื่อหน่ายไม่ยอมให้มีความอิ่มพอไม่ท้อแท้ไม่เลิกพยายามทำเรื่อยไปอันนี้เป็นคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราดำเนินมาแล้วความเพียรข้อที่สองคือพยายามเจริญสติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสองอย่างนี้พระองค์ได้ อธิษฐานเป็นความเพียรของพระองค์ในสมัยที่พระองค์ยังเป็นโพธิสัต์อยู่เพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัส กับสาวกของพระองค์บ่อยๆว่าดูก่อนสูกษ์ทั้งหลายในสมัยที่เราเป็นโพธิสัตว์อยู่มีอยู่สองอย่างที่เรากระทำบำเพ็ญไม่เคยสันโดษไม่เคยเบื่อหน่ายไม่เคยอิ่มพอไม่เคยย่อท้อทำอยู่อยิเสมอจนกระทั่งเราตรัสรู้เป็นเราตถาคตอย่างในปัจจุบันนี้มีอยู่สองอย่างสองอย่างนั้นคือ1 ไม่สันโดษในการทำบุญกุศลคุณงามความดีไม่เบื่อนายไม่ย่อท้อไม่อิ่มออแล้วก็ ไม่เบื่อนายไม่สันโดษที่จะเจริญสติถ้าใครมีคุณสมบัติสองข้อนี้หรือถ้าพยายามที่จะทำอย่างนี้ก็เป็นอันว่าเราทําอย่างเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าทรงดําเนินมาในสมัยที่ก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้ส่วนในวาระสุดท้ายนั้นแสดงถึงความเด็ดเดี่ยวภายในพระไทยของพระองค์หมายความว่าสัมมาสัมโพธิา น, นี้ต้องอาศัยพระไทยที่เข้มแข็งอาศัยพระไทยที่เด็ดเดี่ยว อาศัยพระไทยที่แดดที่อาหารแรกมาด้วยชีวิตเลยอันนี้เราก็เอามาเป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันว่าการปฏิบัติธรรมของเรานั้นอะ่ะเราก็พยายามที่จะให้ใจของเรานี่เข้มแข็งใจเข้มแข็งก็คือใจของเราเนี่ยไม่อ่อนแอถ้าสิ่งไหนที่มันรู้สึกว่าทำให้เราเนี่ยมันมันไหลไปในทางที่จะเป็นทุกข์เราต้องฝืนมันเนี่ยคือไม่ยอมให้มันไหลไปบางเรื่องบางราวเนี่ยมันคิดไปมันเป็นทุกข์ แต่ว่ากำลังใจเราไม่พอมันก็ทำให้เราวนเวียนคุ้นคิดอยู่ในเรื่องเหล่านั้นมันก็ทำให้เกิดความทุกข์บีบคั้นใจเราถ้าหากว่าเราอาศัยความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวความอ่านหันไม่เอามันหรือมันอยากทำไปทำแล้วมันจะเป็นทุกข์เราก็ต้องฝืนตอนอยากทำนี่มันก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะมันบีบคั้นเหมือนกันนี่แหละจิตใจของเราเนี่ยมันเหมือนกับว่ามัน มันคอยแต่จะเป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นทุกข์ก็เพราะจิตใจของเรานี่แหละมันไม่มีกำลังใจที่เราไม่สามารถที่จะเอาชนะมันได้ทีนี้ในเมื่อเรามายัางสถานที่ตัดสู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในคืนนั้นอ่ะพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตใจหลังจากที่ตัดสินพระทยแน่วแนก็หมายความว่าสมาธิของพระองค์นั้นต้องตั้งมัน่น จิตใจต้องตั้งมั่นไม่ใช่สมาธิที่จมดิ่งไม่ใช่สมาธิที่อยู่ในองค์ฌานแต่เป็นสมาธิที่ตั้งมั่นพร้อมที่จะรองรับปัญญาญาณปัญญาที่จะรู้ความจริงความจริงก็คือรู้สิ่งที่มันปรากฏขึ้นนี้ต้องอาศัยสติที่ตั้งมั่นนะอาศัยจิตใจที่ตั้งมั่นหมายว่าหลังจากที่มันเป็นสมาธิแล้วเนี่ยจิตเราสงบจิตเราอยู่กับตัวเราแล้วเนี่ยมันมีพลังของที่มีจิตตั้งมั่น มั่นคงเนี่ยถ้าหาว่าจิตเราเนี่ยมันยังไม่ตั้งมั่นเนี่ยเราก็ต้องฝึกฝนไปนะหมายของว่าต้องเจริญสติไปก่อนนียอย่างที่พระองค์เจริญสตินี่แหละพระองค์บอกแล้วว่าสตินี่สาคัญที่สุดเลยพระองค์บําเพ็ญมาตั้งแต่สมัยพระองค์เนี่ยเป็นโพน ท, ทิสัตเนีตลอดเวลาไม่เคยเบื่อหน่ายไม่เคยอิ่มพอเพราะฉะนั้นเราจะต้องพอใจที่จะเจริญสติเมื่อพระทัยของพระองค์ตั้งมั่นแล้วเนี่ยปฐมมัยพระองค์ก็ บรลลุบุเพนิวาสานุสติยาหมายถึงว่าระลึกชาติดถ้าเทียบใส่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถระลึกชาติได้มันก็พอระลึกอดีตได้เหมือนกันเอาชาตินี้เออแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงเราเคยเป็นอยู่ยังไงมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างก็เห็นพวกนี้แหละมันเกิดมันดับถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยท่านสามารถระลึกชาติได้ก็เห็นว่าภบชาตินี้มันก็เกิดดับเหมือนกัน การเวียนว่ายกายเกิดในวัฏสงสารนี่มันยาวนานมากมันน่าเบื่อน่ายมากมันวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยเดี๋ยวเกิดแล้วตายเดี๋ยวเกิดแล้วตายอยู่อย่างนี้มันมันก็เลยเหมือนเหมือนไม่มีอะไรเลยอะเกิดมาเพื่อตายอะแล้วก็ตอนที่มันยังไม่ตายก็ดิ้นหลนไปอ่ะแชสายไปดิ้นหล่นไปวาวุ่นไปทุกไปเนี่ยมีแต่ไอ้ความทุกข์มันกุ่มลุมจิตใจเนี่ยพระองค์ก็เลยรู้ว่าอ๋อเนี่ยพกชาติที่มัน เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะพอเดี๋ยวเกิดแล้วก็เดี๋ยวต้องตายอ่ะเกิดมาเพื่อตายอ่ะเกิดดับถ้าหาว่าเราเนี่ยระลึกถึงว่าเรื่องราวของเราก็เหมือนกันแหละที่มันผ่านมาเนี่ยมากมายก่ายกองเนี่ยตั้งแต่เกิดจนมาถึงขณะดนี้เนี่ยมันก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเนี่ยแต่ถ้าหาว่าใครสามารถระลึกได้บ้างอ่ะมันกอด ก็ดีแต่ถ้ามันระลึกไม่ได้มันก็คืออย่างเนี้ยมันก็รู้เราเป็นเด็กมายังไงเป็นนักเรียนจนกระทั่งเป็นอวัยหนุ่มวัยสาวเป็นวัยผู้ใหญ่วัยกลางคนวัยแก่ชราลงไปเดี๋ยวมันก็เกิดดับเหมือนกันมันก็ผ่านไปเหมือนกันต่อมามาชิมายามเราองค์ก็เห็นการแล้วก็ดับไปของสัตว์โลกทั้งหลายมันก็เห็นของการเกิดดับนี่แหละว่าชีวิตเนี่ยมันก็เป็นอย่างเนี้ยนอกจากเห็นว่าตัวเองเนี่ยมันวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารแล้วสัตว์โลก ทั้งหลายก็วนเวียนในวัฏสงสารเหมือนกันแล้วพระองค์ก็สามารถสลัดความหลงผิดความเข้าใจผิดคือมายึดมั่นถือมั่นในตัวตนเนี่ยว่าเป็นตัวเราของเราคือเห็นว่ารูปนามเนี่ยขันห้าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอะไรมันเป็นไปตามเหตุตามปใจใัจจัยเฉยๆเกิดแล้วก็ดับไปเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเนื่องจากว่าอินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มที่มันก็ละความเห็นผิดตรงนี้พร้อมกับประหารกิเลสไปด้วยกัน จึงเรียกว่าอาสวัคยยานหมายถึงว่าหมดสิ้นอาสวัคเดชทีนี้ธรรมะที่พระองค์ทรงทรงดำเนินไปเพื่อตัสรู้เนี่ยรวมเรียกว่าโพธิปัจกียธรรมธรรมฝ่ายที่ทําให้รู้แจ้งในสัจธรรมคือรู้ในอริยสัจสี่หรือว่าธรรมะฝ่ายที่ทําให้เกิดการตัสรู้อริยสัจสี่ขึ้นมาถึงพระนิพพานด้น่งโพธิปัจกียธรรมเนี่ยมันมีอยู่37ประการอันแรกคือเรียกว่าสติปัฏฐาน4ี่ เนี่ยที่เราที่เราเจริญสติกันเนี่ยก็อยู่ในโพธิปัจขิยธรรมเป็นธรรมะที่เมื่อเราเจริญแล้วมันจะทําให้ธรรมะอื่นๆเจริญด้วยแล้วสุดท้ายก็ทําให้มรคมีองแฝดเนี่ยสมัครทีทําให้เราสามารถรู้แจ้งในอริยสัจ4ีได้ต้องเริ่มด้วยสติปัฏฐาน4ีถ้าใครเจริญสติปัฏฐานคือเจริญสติเนี่ยมากพอสมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยสติเนี่ ย, ยมันก็จะมีสติสัมปชัญญะ มีสติแล้วก็รู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมาสติปน 4, ตันสีก็มีกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมอันนี้เราได้ยินบ่อยๆเดี๋ยวเราจะพูดรายละเอียดเกี่ยวกับสติปันสีเพราะว่ามันเป็นศูนย์รวมที่จะทำให้สามารถตัดสู้รรได้บรรลุรมได้สติปันสีแล้วก็สัมมปานสี อิทิบาสีอินทรีย้5พละหา้าโพธิปัจเธรรม7จดอ้าพดชงเจ็แล้วก็อริยมรรคเมืองแปดรวมทั้งหมดแล้วเป็น37ประการอาจจะพูดย่อๆก่อนหมายว่าสติปัฏฐาน4ีเนี่ยก็คือพิ南山เห็นกายเนี่ยให้สติตามดูอาการของร่างกายตามดูกายเนี่ยเห็นลมหายใจเนี่ยมันเข้าออกอ้าลมหายใจมันเป็นยังไงเนี่ยตามดูลมตามดูลมไปเวทนาเกิดขึ้นบางทีมันเด่นชัดกว่าลมมันก็ จิตไปสนใจเวทนาตามดูเวทนาบางทีมันดูดูลมดูเวทนาแต่ว่าจิตมันเด่นนะเรื่องาราวภายในจิตเนี่ยมีความสําคัญมันมีแรงดึงดูดมากกว่าสติเร า, าก็มาจดจ่ออยู่ที่จิตเนี่ยมันก็กายเวทนาจิตเนี่ยหรือบางทีมันก็มาสนใจสิ่งที่มันเกิดกับจิตเรียกว่ามันเกิดแล้วก็ดับผ่านมาผ่านไปเป็นอารมณ์ที่เกิดกับใจเรียกว่าธรรมอารมณ์เนี่ยเรียกว่าธรรมเรือว่าเรียกธรม ร, กธรมมีเป็นสติประถามทั้ง4ี่ สมัปปทาน4ี่ก็คือความเพียรความเพียรที่จะทําให้ความเพียรชอบความเพียรที่ถูกต้องที่สามารถเป็นเหตุทําให้เราสามารถตัดสรุปธรรมได้บรรลุธรรมได้ทถลายเพียรระวังไม่ให้อกุศลมันเกิดขึ้นมาถ้าว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ให้ละมันเพียรสร้างกุศลให้มันเกิดขึ้นแล้วก็เพียรที่จะ ให้กุศลเนี่ยมันเพิ่มพูนขึ้นให้มันสมบูรณ์ขึ้นนย่าง น, นี้เรียกว่าสั ม, มปทานสีและอีกหมวดหนึ่งก็คืออิทธิบาสสี่ทธิบาสสีนี่ก็คือมีฉันทะมีความพอใจพอใจนิมในทัศนคของพระเจ้าในความหมายพระเจ้าคือพอใจสร้างเหตุพอใจได้ประพฤติธปฏิบัติธรรมพอใจได้ปฏิบัติธรรมพอใจได้กระทําเหตุให้ถูกต้องไม่ได้ไปมีความอยากให้ผลเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ อยากได้ธรรมะก็ไม่ใช่อยากได้ความสงบก็ไม่ถูกต้องพ้นเป็นความอยากกลัวมันไม่สงบก็ไม่ถูกต้องต้องพอใจเจริญสติพอใจมีสติส่วนผลเป็นยังไงแล้วแต่ให้เราทําเรื่อยไปเนี่ยหลักเป็นอย่างนี้มีฉันทะขอมีฉันทะแล้วก็จะมีความเพียรมีวิริยะวิริยะก็คือความเพียรในการสร้างเหตุทำเหตุให้ถูกต้องคิดตะเอาใจใสจดจ่อในการทาเหตุนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแล้วก็แก้ไขเพื่อที่จะให้สติของเราเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นมาให้สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ขึ้นมามีเรียกอิกที่บาท4อินสี่ห้ก็คือมีสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรมีภายในจิตของเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีศรัทธาเนี่ยมันมีความเชื่อมัน่นศรัทธาในทีน่นี้หมายถึงศรัทธาที่มันมีเหตุมีผลนะ่ะเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศรัทธาวันเราเนี่ยอ่าเป็นชาวพุทธนะแล้วก็ไปหาเหรียญ มาแขวนคอแสดงว่าเราเนี่ยมีความศรัทธาหวังให้สิ่งนั้นน่ะคุ้มครองเราอย่างนี้ไม่ตรงไม่ตรงกับศรัทธาในความหมายของพระพุทธเจ้าศรัทธาในที่นี้เป็นศรัทธาที่มีเหตุมีผลเชื่อในการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อ เพราะมันเป็นความจริงเราได้พิจารณาไต่ตองแล้วว่ามันเป็นความจริงพเพระวิทยาตรัสรู้จริงแล้วสัจธรรมคือความจริงต้องเป็นไปอย่างที่พระองค์สอนอย่างที่พระองค์ประทานคําสอนเอาไว้ทําให้จิตใจเนี่ยมีความมุ่งมัน่นมีความเชื่อมัน่นอยากปพปฏิบัติตามเนี่ยอยากปฏิบัติธรรมนะถ้าหากว่าเออศรัทธาแล้วเออเหรียญที่ไหนมีอ่ะเออไปหามาวัตถุต่างๆมากมายอ่าไปเอามาเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้มันมัน มันเป็นศรัทธาที่มันแฝงมันไม่จะพาแท้จริงเป็นศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาถ้าหากว่าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเนี่ยเป็นลูกพระพุทธเจ้าต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งเข้าไปว่าศรัทธาที่แท้จริงหมายถึงเชื่อมัน่นในเหตุในผลเชื่อมัน่นในการป ร, สรัสญ์ของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าประพฤติปฏิบัติตามพระองค์แล้วเนี่ยต้องสามารถดับทุกข์ภายในจิตใจเราได้เมื่อจิตใจมีศรัทธาแล้วเนี่ยมันก็จะมีความเพียร มีวิริยะความเพียรก็เพียรเพื่อเจริญสติเพียรเพื่อทําเหตุเมื่อเจริญสติแล้วสมาธิสตินี่มันควบคุมจิตเอาไว้ได้ใจก็เป็นสมาธิใจเป็นสมาธิแล้วมีกําลังขึ้นมาใจก็ตั้งมัน่นใจตั้งมั่นแล้วก็เห็นสิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นว่ามันอยู่เข้ามันอย่างนั้นนี่มันก็เป็นปัญญาที่แท้จริงขึ้นมา ทำให้ใจของเราเนี่ยไม่หลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นทำให้ใจิตใจเรานี่ปล่อยวางใจเราก็เป็นอิสระถ้าหาว่าเราปฏิบัติถูกต้องเนี่ยใจของเราจะค่อยๆเป็นอิสระขึ้นใจของเราจะค่อยปล่อยวางด้มากขึ้นความทุกข์จะต้องน้อยลงไปความสุขความสบายความโปร่งโล่งความเบาในใจิตใจเราต้องเกิดขึ้นในเมื่อวันนี้เรามายัางสถานที่ตัดสู้ของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราจะต้องพยายามดาเนิน ตามทางของพระองค์ให้มันตรงต่อพระประสงค์ของพระองค์อันไหนที่รู้สึกว่ามันลุงลังมันทำให้เราไปเสียเวลาไปขวยคว้าไปแสวงหาไอ้สิ่งที่มันไม่ใช่ทางที่จะทำให้เราดับทุกข์ภายในใจเราได้ แสดงว่าไม่ตรงทางเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสแสวงหาหนทางดับทุกข์ที่สร้างบา ร, รมีมาก็เพื่อตัดสรู้ทางแห่งความดับทุกข์ดับทุกข์ในพระไทยของพระองค์ได้เมื่อดับไทยดับทุกข์ในพระไทยของพระองค์ได้พระไทยของพระองค์ก็สะอาดบริสุทธิ์มีความสุขความสงบความทุกข์แม้เล็กน้อยก็ไม่สามารถเสียดแทงพระไทยของพระองค์ได้พระไทยของพระองค์ปินิสระสิ้นเชิงแล้วเนี่ยพระ อ, องค์จึงหวังอยากจะให้ผู้ที่มีทุลีในดวงกาน้อยคือมีสติมีปัญญาลองละ รับเอาคำสอนของพระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติตามเพื่อที่จะให้หมดทุกขภายในจิตใจเช่นเดียวกันให้เราเข้าถึงแก่นแท้ของพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะมีกำลังใจที่จะเดินตามทางของพระองค์แล้วจะมั่นใจทุ่มเทกำลังจิตใจของเราเพื่อปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์นี่แหละ5อย่างที่ว่ามานี้เดียว่าอินทรีย์5หมายถึงผู้เป็นใหญ่สติก็มีความเป็นใหญ่ ในการระลึกรู้สมาธิก็เป็นก็เป็นอยา่ทำให้จิตใจเนี่ยมันเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ตั้งมั่นขึ้นมาปัญญาก็เป็นใหญ่เพราะมันทาให้รู้ความจริงมารู้ความจริงแล้วใจเรามันจะค่อยปล่อยวางไปไม่หลงยึดมั่นถือมั่นศรัทธา ก, ก็เป็นใหญ่ในความเชื่อมั่นเป็นพลังของจิตใจเราวิทยะก็เป็นใหญ่ในการทำความเพีย แล้วทําให้จิตเรามีพลังเมื่อจิตมีกําลังขึ้นมาเนี่ยอินทรีย์ก็จะเปลี่ยนเป็นพละหทันทีเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากให้ชีวิตมีพลังอยากเติมพลังให้กับชีวิตต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อพละทั้ง5เนี่ยมันเข้ามาเป็นคุณสมบัติของจิตเมื่อไรจิตจะมีพลังจิตมีพลังจิตจะไม่อ่อนแอจิตจะเข้มแข็งจิตจะมีความเบิกบานมีความโล่งความโปร่งเบา มีความสุขความสบายถึงแม้ยังไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้แต่ว่าอาศัยพะละทั้งห้านี้ก็ทำให้จิตใจเรามีกำลังชีวิตเรามีพลังทำการทำงานเนี่ยก็จะมีความคล่องว่องไวเพราะจิตมันตื่นตัวเราสามารถใช้จิตของเราทำงานได้อย่างเต็มที่ความทุกข์ก็น้อยลงไปด้วยเมื่อพละห้าเนี่ยมันมีพลังขึ้นมาแล้วเป็นกำลังของจิตใจจิตใจก็มีความพร้อมที่จะตัสรู้ธรรม เขาเรียกว่าพชชงเจ็ดโพธิบวกองคะแปลว่าพอชงมีเจ็ดประการโพธิก็ตัดสู้องคะก็องค์องแห่งการตัดสู้องค์ที่จะทำให้บรรลุธรรมได้อันดับแรกก็เรียกว่าสติสัมพอชง สตินี่มันจะกลายเป็นสติสัมโพชงไหมายว่า ม, มันมีความต่อเนื่องมีพลังมากมันทํางานโดยอัตโนมัติมันจะคุ้มครองจิตเราคอยประคับกองจิตเราดูแลจิตเราจิตเราเคลื่อนไหวไปยังไงอยู่ในกรอบของสติหมดนี่เรียกว่าสติสัมโพชงธรรมะวิจยะสัมโพชงมันก็จะมีปัญญาคอยเฟ้นธทมคอยเลือกรมที่จะทําให้จิตเรานี่มีความมั่นคงให้จิตเรานี่เป็นอุเบกขาให้จิตเราเป็นกลางจิตเราไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งใดจิตเราเนี่ย ไม่คาดเคลื่อนไปทางไหนเนี่ยบางบางคนที่บอกว่าไม่ต้องคิดไม่ใช่ถ้าหากว่ามาถึงทำมาวิญญาสัมโพธชงแล้วบางทีก็คิดอะแต่ว่าคิดโดยที่เหมือนกับไม่ได้คิดอ่ะมันมีพลังอันที่กระแสะของจิตเราเนี่ยมันทํางานได้โดยเหมือนโดยอัตโนมัติเหมือนกับว่ามันจะรู้ว่าทํายังไงจิตเนี่ยมันถึงเป็นอิสระอยู่ได้มันถึงเป็นกลางอยู่ได้พร้อมที่จะรู้ความจริงแล้วบางทีก็ไม่ต้องมีการคิดการอะไร มันรู้โดยภาษาจิต ing, หมายถึงว่าจิตเนี่ยมันพูดไม่ได้มันไม่มีคําพูดบางครั้งเนี่ยมันคิดก็ไม่ได้แต่ว่ามันรู้ได้เป็นภาษาของใจโดยเฉพาะรู้ด้วยใจใจรู้เองใจเห็นเองแจ้งชัดขึ้นที่ใจไม่มีภาษาไม่มีคําพูดแต่หลังจากที่ถ อ, อยออกมาจากจิตนั้นแล้วบางทีก็นึกขึ้นมาได้เออตอนนั้นเนี่ยเราเห็นอันนั้นอันนั้นน่าจะอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ระหว่างที่เห็นอยู่แจ้งชัดอยู่รู้สึกอยู่ประจักษ์อยู่ในใจอยู่พูดไม่ได้นึกไม่ได้คิดไม่ได้ แต่มีความเข้าใจอยู่ในใจนี่เราเป็นภาษาใจวิริยะสัมโพชงความเพียรก็จะเป็นอัตโนมัติเหมือนกันมันมีความเพียรอยู่ในจิตเรียกว่าเหมือนกับทุกอย่างลงตัวไปหมดเป็นคุณสมบัติที่แท้จริงของจิตที่จะทําให้การตัดสรู้บังเกิดขึ้นปัตธิสัมโพชงใจสงบมีความโลภมีความโปร่งความเบามีอาการของเขาอาการของปัสสตูความสุขความสงบอยู่ในนั้นบริบูรณ์สมบูรณ์สมาธิสัมโพชงใจตั้งมัน่นแน่วแน่ ไม่มีอะไรแทรกแซงเข้าไปในจิตในใจเราได้เป็นหนึ่งอยู่ตลอดอุเบคาสัมโพชงอะไรเกิดขึ้นรู้หมดแต่ว่าไม่มีผลต่อจิตรู้แต่ไม่มีอะไรที่จะกระเทือนเข้าไปถึงจิตดางจิตเฉยจิตเป็นอุเบคารู้รอบรู้หมดจดรู้ทุกอย่างมีอะไรผ่านเข้ามารู้แต่ไม่มีผลต่อจิตรู้แล้วไม่หลงด้วยนี่เรียกว่าอุเบขาสัมโพชงสติสัมโพชงธรรมปิยาสัมโพชงธรรมวิจยสัมโพชง วิลิยะสัมโพชงตีติสมโพชองอีกันหนึ่งคือมีความอิ่มอกอิ่มใจ มีความสบายภายในจิตใจเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติไปแล้วสติของเรามีกําลังขึ้นมาสัมปชัญญะมีกําลังขึ้นมาเนี่ยภายในจิตใจของเราก็จะมีความสบายมีความโปร่งโล่งเบาสบายเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติซึ่งเราเรียกว่าปีติปีติสัมโพชฌงเนี่ยมันก็เป็นส่วนประกอบอันหนึ่งที่จะให้จิตเนี่ยพร้อมที่จะตรัสรู้ธรรมได้คือเกิดความสบายเกิดความสุขความสงบอยู่ภายในรวมกับปัจทัยสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌง อันที่6ใจตั้งมั่นตั้งมั่นแล้วเป็นหนึ่งเดียวด้วยเขาเรียกว่าเอกขคตารมตั้งมั่นแล้วก็มีความรู้รอบไม่ได้ตั้งมั่นแบบจมดิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวแบบลึกๆแบบไม่รับรู้อะไรอันนั้นเป็นสมถะอันนั้นยังเป็นองชันอยอันนี้เมื่อจิตมันมีกําลังแล้วเนี่ยจิตไม่ยอมดิ่งเข้าไปด้วยพลังของจิตมันมีกําลังทําให้จิตเนี่ยมันตั้งมั่นแล้วก็รู้รอบถึงมีเสียงมาจิตเราก็มั่นตั้งมั่นอยู่ไม่บกแตกไม่หวั่นไหวไปทางไหน ยังสงบนิ่งอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วก็เข้าใจด้วยว่ามันเกิดดับนี่มันจะกลายเป็นอมรักและทิณอาริมรักเมืองแก็เกิดขึ้นสมาธิทิมันจะตัดสู้แล้วสมาธิเนี่ยในความหมายที่แท้จริงน่ยก็คือรู้ว่านี่ทุกนี่คือเหตุแห่งทุกเนี่ยถ้าหาว่าอะไราผ่านเข้ามาแล้วมันมีผลตัดจิตมันจะเป็นทุกขันทีเลยอาการทิจจิตเนี่ยมันเคลื่อนไหวมันมันไม่อยู่ในกรอบของอของสติปัญญาของเราเนี่ย มันมีอากาศเทือนเข้าไปในจิตของเราเหมือนกับว่ามันจะมีตัวตนเกาะเกิดขึ้นมามันจะเป็นทุกข์ขึ้นมาในอาการที่จิตมันไปเป็นหลงอารมณ์อ่ะที่มันจะไปยึดอันนั้นอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะก่อเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเหตุแห่งทุกข์ก็คือมันไม่รู้ความจริงไม่แจ้งชัดตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าองค์มรรคเนี่ยมันมีกําลังเนี่ยมันจะชัดแจ้งมาสัมมาทิฏฐินี่จะเกิดขึ้นคือเห็นว่ามันเป็นทุกข์เหตุแห่งทุกข์ก็คือจิตเราที่มันเป็นหลงยึดมั่นถือมั่น ทำให้มีตัวเรามีของเราเกิดขึ้นเมื่อมันเห็นอย่างนี้ไอ้ความคิดความคิดต้องน้อมไปในทางที่จะละที่จะปล่อยที่จะวางในทางที่จะเอาเข้ามาก็ไม่มีทันึงเรียวว่าเนคัมมสังกับป่าคือไม่เอา ไม่เอานูน่นเอานี่เข้ามาในทางพยาบาทในทางเบียดเบียนมันก็ทําให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นทุกข์ได้เพราะนั้นจิตเนี่ยมันจะน้อมไปในทางปล่อยวางไปหมดองค์มรรคมันก็เกิดขึ้นกับใจเราแล้วมันจะควบคุมจิตของเราระมัดระวังคําพูดในจิตเนี่ยคือคําพูดเนี่ยมันต้องออกมาจากจิตก่อนเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันจะเข้าไปควบคุมคําพูดไอ้พวกสติปัญญาเนี่ยมันกลายเป็นสัมมาวาจาการงานก็ต้องชอบด้วยจะเกิดโทษทางกายก็ไม่ได้สัมมาสังกปปะก็รวมเข้าไปอาสัมมา กรรมตะรวมเข้าไปในจิตสัมมาอาชีวะการงานชอบก็อยู่ในจิตมันจะทําให้เกิดสิ่งที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาในจิตเนี่ะมันจึงทําในสิ่งที่ถูกต้องเลี้ยงชีวิตถูกต้องเนีย่ยเป็นองค์มรรคอยู่ในจิตสัมมาสติสัมมาวายาโมสัมมาสมาธิก็อยู่ในจิตพอบริบูรณ์สมบูรณ์เมื่อไหร่ก็ตัดสููเมื่อนั้นบนรรลุธรรมถ้าหาว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจา้าก็อาจจะบรรลุธรรมเป็นขั้นเป็นตอนอาจจะบรรลุภริยาบุคคลเบื้องต้นเป็นพระโสดาบันบุคคล ทีนี้การที่จะบรรลุธรรมได้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่พู้เจ้าตัดเป็นอันดับแรกเลยคือสติปตัฏฐานสีเพราะฉะนั้นโพธิปัฏยธรรม37ปริการคือองค์ธรรมที่เป็นฝ่าย ที่จะทําให้ตัดสรูได้หรือบรรลุธรรมได้สิ่งสําคัญที่สุดคือสติปัฏฐานถ้าหาว่าใครจเจริญสติปัฏฐาน4บริบูรณ์สมบูรณ์สติสัมปชัญญะก็จะบริบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นมาในจิตแล้วทำอย่างอื่นก็จะบริบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นในจิตด้วยเพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยจริงสําคัญมากเพราะฉนั้นถ้าหาว่าเราเจริญสติไปเรื่อยๆอันนี้ถูกแล้วต่อไปโพธิตักเทียธรรมก็จะสมบูรณ์ด้วยเหตุที่จะทําให้บรรลุธรรมเหตุที่จะทําให้ตัดสรูธรรมเหตุที่จะทําให้รู้แจ้งในยศศ4ก็จะสมบูรณ์ ขึ้นมาด้วยแล้วสติปัฏฐานสีเนี่ยทุกคนก็เข้าใจก็ปฏิบัติกันอยู่เนี่ยพยายามมีสติอยูย่สาระสำคัญของการเจริญสติเนี่ยก็คือทำอยังไงอ่ะสติของเราเนี่ยจิงควบคุมจิตได้สติเนี่ยจะคอยกำกับให้จิตเนี่ย มันอยู่ในอำนาจของสติ ม, มันไม่เก ah hmm. like e. ี่ยวกับท่าทางว่าช้าหรือเร็วมันจะอยู่ในท่าไหนก็ตามะไม่ใช่ว่าทําอะไรไม่ได้เลยทําการทํางานไม่ได้ต้องทําอะไรช้าๆต้องไม่ทําอะไรเลยหยิบจับอะไรที่เป็นการเป็นงานไม่ได้ดุงหลังไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่าจะทําช้าหรือเร็วก็ได้คนที่ทําช้าอาจจะเห็นว่าเออเราใหม่อยู่ในใหม่ๆเนี่ยมันตามจิตไม่ทันน่ะแต่ทําอะไรช้าๆเนี่ยมันอาจจะทําให้สติเนี่ยมันจดจ่ออยู่กับร่างกายอ่ะ จิตมันก็อยู่กับร่างกายมันไม่ไปหนาจิตก็อยู่ที่กายอยู่ที่จิตของตัวเองมันก็ไม่ผิดอะไรบางคนพ้องเนาะยุบเนาะก็ได้พุดโธพุดโธก็ได้อานาปานั้นสติก็ได้เพราะมีเป้าหมายว่าเราจะพยายามให้มีสติคอยควบคุมจิตของเรากํากับจิตของเราถ้าหากว่าเรารู้ว่าสติของเราเนี่ยมันควบคุมจิตได้ไม่ดีจิตเราหลุดไปบ่อยๆคือคือไอไอความมีสติเนี่ยก็คือใจไม่ลอยอ่ะถ้าจะพูดง่ายๆนะ ถ้าใจลอยไปเนี่ยแสดงว่าขาดสติแล้วใจเผลอเพลินไปอย่างนี้ขาดสติแล้วต้องพยายามให้มันลอยไปน้อยที่สุดก็คือพยายามมีสตินั่นแหละให้มันเผลอน้อยที่สุดเผลอแล้วแล้วไปตั้งใหม่ลอยๆแล้วไปรู้เมื่อไหร่ก็มีสติเมื่อนั้นเราก็ไม่กลัวมันจะใจลอยไม่กลัวมันจะเผลอไม่กลัวมันจะคิดคือเราสร้างเหตุพยายามมีสติคอยรู้ตัวอยู่พยายามอยู่ทําการทํางานเออบางทีมันก็เราก็มุ่งอยู่กับการทํางานอ่ะ พอเรายังมีชีวิตยอยู่ถ้าหากว่ามีอยู่กับการทางานเราพยายามตั้งสติอยู่กับการทำงานได้เราก็พยายามถ้านเผลอไปมันหลุดไปเอาใหม่ไม่มาตําหนิตัวเองถ้ามาตําหนิตัวเองก็รู้ว่ามันตําหนิตัวเองแล้วหมายว่าเราต้องมารู้ทันรู้ทันอาการที่มันเกิดขึ้นในกายเราในจิตเราคือเอาปัจจุบันบางทีทําอะไรอยู่เผอมันคิดไม่ดีขึ้นมาเราก็รู้ว่ามันคิดไม่ดีไม่ไปกังวลกับไอ้ความคิดเหล่านั้น ไม่ไปใส่ใจกับมันรู้ว่ามันคิดไม่ดีมันคิดแล้วมันก็ดับไปเราก็ได้สติขึ้นมาแล้วเราก็เห็นแล้วว่ามันเกิดดับเราก็ได้ปัญญาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมไปหมดอ่ะบางทีอ้าสจิตของเราเนี่ยเราก็ยังฝึกฝนอบรมยังไม่มากพอเนี่ยบางทีมันก็ไม่พอใจขึ้นมา ไอ้ไอ้สิ่งที่มันผ่านเข้ามาทางตาโดยเฉพาะทางหูผู้ทางหูนี่มันจะเร็วมากนะทางหูกับทางตานี่แหละมันมันเห็นถ้าถ้าวัตสติดีนะมันจะสักว่าเห็นทันดีเลยนะมันจะคุมได้นะเห็นเฉยๆผ่านไปเฉยๆเหมือนกับบางทีนะอย่างเรามาที่นี่สังเกต ด, ดูเราเข้ามาในตรงนี้ใครจะทําอะไรเนี่ยจิตเราก็เฉยๆใครเดินชนเราเราก็เฉยะบางทีก็สวดบูมพําบูมพําไ ป, ไปเขาก็เดินถื่อไปของเขาไงบางทีเราก็เดินไปของเรา เขาชนเราเหมือนกับเป็นทางเดินของเขาเราก็หลีกให้เขาใจเราก็ไม่มีอะไรอัอนนี้คือสัตย์แต่ว่ามันเกิดขึ้นใจเราไม่ไปยินดียินร้ายแล้วเรารู้ด้วยว่าใจเราเป็นกลางๆแต่ถ้ามันเฉยแต่ไม่รู้ก็อีกอ่ะมันก็ไม่รู้ตัวมันก็ไม่แจ้งชัดตามความเป็นจริงมันต้องยินดีก็รู้ยินร้ายก็รู้เฉยเฉยก็รู้ด้วยพูดงายมีสติอยู่ตลอดเวลาถ้าหาวสติเร็วเนี่ยมันจะทันว่าอะไรเกิดขึ้นปั๊บมันจะสัตย์แต่ว่ารู้ เพราะฉะนั้นในสมัยที่พระ พ, พ, พุทธเจ้ายัางทรงวชนอยู่ที่ว่ามีมีพ า, าหะิะพาหญานี่เขได้ข่าวว่าพระพุทธญาอุบัติขึ้นมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจิตใจเนี่ยมีความต้องการที่จะไปพบพระพุทธเจ้ามาเพราะตัวเองก็เคยสร้างบารมีมาปรารถนาที่จะพ้นทุกมาแต่ว่าไม่พ้นทุกนั่งภาวนาตายเลยนั่งจนกระทั่งตายในประวัติในอดีตของท่าน พอมาเกิดขึ้นมาในชาตินี้พอได้ยินว่าเอ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วเนี่ยติดตามเลยรู้ว่าพระเจ้าอยู่ทิศไหนตรงไปหาพระพุทธเจ้านี่แหละคือบารมีที่ออกสั่งสมอบรมมามันเป็นอย่างนี้เหมือนพวกเรานี่แหละต้องเคยมีบารมีมาสถานที่ศัตรู้อยู่ถึงประเทศอินเดียเราก็ยังขนขวายการที่จะได้มามันก็ต้องใช้ความพยายามเหมือนกันต้องใช้เงินใช้ทรัพย์แล้วก็ใช้ความพยายาม ความตั้ง อ, อกตั้งใจแต่ว่าเราก็เต็มใจจนกระทั่งมาจนได้นี่ก็เป็นบารมีเมือเป็นบุญที่เราเคยจะทําบำเพรนมาเหมือนกันเป็นความปรารถนาของเราเหมือนกันมันมีกันทุกคนแล้วท่านพระฮิยะก็เหมือนกันพอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วเนี่ยไปซีไปหาพระพุทธเจ้ า, าน้ำอยู่ทางไหนพอรู้ข่าวฟกตรงไปเลยไปก็พระพุทธเจ้ากําลังเสด็จออกบินทบาทไปถึงตรงเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าเลยข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญขอพระ อ, องค์แสดงธรรมให้ข้าพระพุทธเจ้า ได้ฟังด้วยเถิดเพื่อข่าพระพุทธเจ้าจะได้รู้ทั่วถึงธรรมนั้นพระเจ้าก็ตัสว่ายาเลยพานยะเรากําลังออกบินธบาติให้เรากลับจากบินธบาติก่อนเราจะแสดงธรรมให้ก่อนด้วยความปรารถนาแรงกล้าของพาน ย, ยะต่อบพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์พูทเจริญระหว่างนั้นข่าข่าพระพุทธเจ้าเป็นอะไรไปมีอันต้องตายไปข่าพระพุทธเจ้าก็จะไม่ได้ฟังธรรมนั้นขอพระองค์แสดงธรรมง่ายๆห ย, ยอกๆให้ข้าพระองค์ได้ฟัง ก็พอพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าห้ามอีกอย่าเลยภายะให้เรากลับจากมินสบาทก่อนเราจะแสดงธรรมให้ฟังการห้ามนั้นคงจะเป็นมารยาทของพระพุทธเจ้าเหมือนกันว่าการนั้นยังไม่เหมาะสมไม่ใช่ว่าพระองค์เนี่ยไม่อยากแสดงธรรมอิดออดอะไรไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเป็นการห้ามเพื่อให้มีความเหมาะสมเกิดขึ้นท่นานพายะก็ตอบอีกว่าถ้าแต่พระองค์พูดจริงถ้าหาว่าชีวิตของข้าพระองค์มีอันต้องดับสิ้นไป ในระหว่างนั้นข้าพระองค์ก็จะไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมขอพระองค์ทรงสแสดงธรรมยอ่อยๆง่ายๆพอที่จะให้ข้าพระพุทธเจ้าได้รู้ทั่วถึงธรรมนั้นด้วยเถิดพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าถ้าอย่างนั้นเธอจงตั้งใจฟังให้ดีเมื่อตาเมื่อลูกเมื่อตานี่กระทบลูกมีการเห็นเกิดขึ้นให้เธอทําความรู้ว่าสัตว์จะว่าเห็นอันนี้หมายว่าสติของท่านเนี่ยก็จะต้องมีกําลังแล้วสามารถรู้ในปัจจุบัน เห็นสัตว่าเห็นได้ถ้าหูได้ยินเสียงก็สัตว์แต่่วาได้ยินจมูกได้กลิ่นก็สัตว์แต่่วารู้สึกลิ้นกระทบรสก็สัตว์แต่่วารู้สึกกายถูกต้องสัมผัสอารมณ์ทางกายก็สัตว์แต่่วารู้สึกใจมีอารมณ์มาสัมผัสใจก็ให้รู้แจ้งสัตว์แต่่วารู้แจ้งในอารมณ์นั้นสัตว์แต่่วารู้ไพ่ย่ฟังเข้าใจทันทีเลยยังเข้าไปถึงจิตอะไรเกิดขึ้นสัตว์แต่่วารู้สัตวแต่่วาสัตว์แต่่วาปล่อยวางลงไปทันทีเลยสามารถ บรรลุธรรมตรงนั้นนี่คือทำ ม, มามากทํา ม, มายาวนานหลายภพหลายชาติจนนั่งสมาธิถ้าไม่ตัสรู้ธรรมไม่บรรลุธรรมยอมตายเนี่ยอันนี้มันทําให้ฟังธรรมย่อๆสั้นเหมือนที่พระองค์ว่าเป็นเป็นธรรมะง่ายๆแต่อาศัยอินทรีย์แก่กล้าที่สั่งสมอบรมมายาวนานจนจิตมีกําลังสามารถรู้ทั่วถึงธรรมนั้นจิตนี่ยั่งเข้าไปแล้วก็รู้แจ้งความจริง ปล่อยวางทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่หลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราท่านก็สามารถบรรลุธรรมได้ทีนี้ถ้าใจของเราเนี่ยเราปล่อยวางให้มันเออสักแต่ว่าเหมือนกับว่าพระเจ้าก็สอนว่าเออให้เจริญสติให้ทําเหตุให้ทำเหตุให้พอใจทําที่เหตุไม่ใช่อยากให้ผลเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากควาอยากให้สงบก็ไม่มีกลัวไม่สงบก็ไม่มี กัวติดสมถะก็ต้องไม่มีด้วยเพราสมาถะก็เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ต้องอาศัยจิตที่เป็นเอกคัตารม์มันเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติไม่ต้องไปกลัวติดไม่ต้องกลัวจะไม่มีปัญญาไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ไม่เป็นวิปัสนาเคอให้จิตเราเนี่ยอยู่กับปัจจุบนันรู้ตัวอยู่เดี๋ย ว, ว่าจเจริญสติไปเรื่อยๆเมื่อมีสติสติมันขยายตัวขึ้นมันมีกําลังขึ้นก็รู้ตัวมากขึ้นรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นสัมปชัญญะแล้วมีปัญญา รู้ความจริงปล่อยวางได้มากขึ้นไอ้ปัญญาตัวนี้ก็รวดเร็วกลายเป็นสติสัมปชัญญะที่มีพลังก็กลายมาเป็นผู้รู้เป็นตัวรู้เป็นผู้รู้อยู่ในจิตมันจะรู้รอบบางทีรู้เฉยๆเลยรู้โดยที่ไม่ต้องนึกต้องคิดไม่ต้องพูดอะไรกระดับหรือบางทีจิตเนี่ยพอมีกําลังแล้วเนี่ยรู้แล้วจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเหมือนกันมันย้ํากับตัวเองก็มีเหมือนกับจะตอกย้ําให้ปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยฝังแน่นอยู่ในจิตใจมันเป็นกิริยาของจิตมันก็เกิดขึ้นได้ บางทีมันจริงมันจริงเหมือนกับไม่ใช่เราอ่ะเหมือนมันเกิดขึ้นอ่ะเดี๋ยวมันว่าอย่างนั้นเดี๋ยวมันว่าอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นได้มันเป็นธรรมชาติของผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อถึงเวลาเมื่ออินทรีย์มันแก่ากล้าเมื่อพระละมันแก่ากล้าเมื่อเยามัคคีองแปดเนี่ยมันบริบูรณ์สมบูรณ์มากภายในจิตของเราเนี่ยมันก็จะมีความแจ้งชัดตามความเป็นจริงมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการเจริญสติทีนี้สติเนี่ยท่านว่ามีสี่ สี่อย่างอะไรบ้างให้มีสติตามดูอาการของกายละความยินดียินร้ายในโลกมีเสียให้ได้มีความสําคัญอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องจับหลักให้ได้มีสติตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมเพื่อละความยินดียินร้ายในโลกมีเสียให้ได้ก็คือในใจของเราเนี่ยอะไรมันก่อเกิดขึ้นมาในใจเรามันไปยินดีเราก็รู้ทันมันไปยินร้ายก็รู้ทัน บางทีมันไม่ยินดียินร้ายอ่ะมันเฉยๆอยู่อ่ะเราก็ต้องรู้มันเฉยๆอยู่อ่ะไม่ใช่มันเฉยๆจะดูอะไรดีอ่ะตอนตอนมันยินดีอยู่เห็นชัดเจนเลยนะอนมันยินร้ายขึ้นก็เห็นชัดเจนแต่พวกนี้ดับไปไม่รู้จะดูอะไรลืมไปว่าไอ้ไอ้มันเฉยๆก็มีด้วยเรียกว่ามันมันไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันเป็นมันเป็นเบกขาเวทนามันไม่สุขไม่ทุกข์เราก็ต้องรู้ก็คือสรุปแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นให้รู้ให้รู้อยู่กับปัจจุบันนั้นบางทีมันไม่สบายใจอ่ะไม่ไม่สบายใจเอามับาง คิดที่นี่คุณคิดเนี่ยคิดเราก็ไหลไปเพลินไปกับไอ้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้ น, นใจเราก็ไม่สบายขณะที่คิดไปความกังวลความหวั่นไหวก็เกิดขึ้นในจิตเราใจเราก็เป็นทุกข์มากขึ้น <c oughs> ทีนี้พอเรามีสติรู้ <c oughs> เห็นพวกนี้ขณะที่เรากําลังดูอยู่กําลังดูไ อ, ไอไต้ตัวตัวที่กังวลบางทีใจเรามันก็อยากให้หายไอ้นี่มันมันรวดเร็วนะภายในจิตเนี่ยถ้าเราดูไม่ทันตรงนี้มันซ้อนขึ้นมาแล้วจิตเราจะเพ้อไปแล้วมันไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วเพราะว่ามันมีความอยากหายขึ้นมาหรือมันลุ้นมันลุ้นเมื่อไหร่มันจะ เราต้องมาดูตัวอย่างให้หายมาดูตัวรุ้นที่มันอยากจะหายนี่เนี่ๆเนี่เรียก ว, ว่าให้มันเร็วขึ้นในจิตใจของเรานี่เรียกว่าสติของเรามันจะพัฒนาขึ้นมาจากสติก็เป็นสติสัมปชัญญะจากสติสัมปชัญญะที่ไม่ค่อยมีกําลังก็เป็นสติสัมปชัญญะที่มีกําลังพอมีกําลังเนี่ยมันจะทําให้จิตเราตั้งมั่นพอจิตเราตั้งมั่นนี่คุณสมบัติต่างๆที่จะทําให้เราบรรลุธรรมที่จะทําให้ผลของการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นกับจิตเราเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสติปะรรมเเนนีีีี่่่่จึงงปป็สสิิิททําาาคััญแล้วฏบต เป็นการเจริญสติกันทุกคนถ้าใจยังไม่ตั้งมัน่นเราทำยังไงก่อนก็ได้เพราะนั้นเราจะไม่มาถกเถียงกันหรอกบางทีพุดโทก็ได้ฟองนอ้อยุบนอก็ได้ลมเข้าลมออกก็ได้ลมเข้าพูดลมออกโทก็ได้ขั้นนี้เป็นขั้นที่ยังเจริญสติทำสติไปจนกระทั่งสติของเรามีกำลังขึ้นมามีสัมปชัญญะขึ้นมาควบคุมจิตให้ตั้งมั่นได้แล้วก็มาตามดูอาการของกายอาการของเวทนาอาการของจิตอาการของธรรมนี่แหละกรรมฐานทั้งหลายมาบรรจบกันตรงนี้สติปัฏฐานสี่สมบูรณ์ตรงนี้เป็นสาสติปัฏฐาน4ตรงงนีี้้บาาทเขใจผิดกัน เอออันนี้เป็นวิปัสนาอันนี้เป็นสมถะมันเป็นเบื้องต้นที่จะทำให้จิตตั้งมั่นเฉยเมยเมื่อตั้งมั่นแล้วกรรมฐานทั้งหมดจะมารวมกันเป็นสติปัฏฐาน4อาจจะเริ่มต้นโดยดูรูปดูนามไปเลยกระดบก็เป็นการเจริญสติเหมือนกันเพราะใจยังไม่ตั้งมั่นเริ่มด้วยพุทโธจนจิตใจสงบเป็นสมาธิสมาธิจนจิตมีกําลังขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาเป็นสติปัฏฐาน4ี่เหมือนกันมันจะมาบรรจบกันตรงนี้ถ้าใครปฏิบัติจริงและจะไม่สงสัยแต่ถ้าหาว่าปฏิบัติมััััันนนนนยยยงงงงงงไไมมมมม่่่เเขข้้าาาาาาถถึึคววจจรรริีีะกกกกกกกทํใหูสอแแบปฉัน ของเธอปิดอะไรอย่างเนี้มันทําให้เกิดตัวตนขึ้นมาแทนที่ปฏิบัติธรรมมีเจมาระตัวตนก็กลายเป็นว่ามาสร้างตัวตนสร้างทิฏิมานะขึ้นมาทําให้การปฏิบัติธรรมไม่ได้เพราะนั้นวิธีทั้งหมดเป็นวิธีของพระพุทธเจ้าเป็นการเจริญสติในเบื้อง ต, ต่อมามีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นแล้วสติสัมปชัญญะมีกําลังมากขึ้นสามารถควบคุมจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อจิตใจตั้งมั่นแล้วสติประฐานสี่ก็บังเกิดถึงสามารถตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมได้เพราะฉนั้นถ้าหาาว่่ใครอยู ปัจจุบันได้นั่นแสดงว่าสติประธาน4ี่เกิดขึ้นแล้วอะไรเกิดขึ้นทางร่างกายก็รู้รู้แล้วก็รักษาใจไว้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยอย่างตอนนี้เออนั่งไปนานแล้วถ้าหาว่าใครจะลองดูซิว่าไอเวทนาเนี่ยจิตเราเนี่ยมันจะรู้ไหมว่าเวทนาเนี่ยมันเป็นสักว่าเวทนามันไม่ใช่ของเรามันอยู่ที่ร่างกายไม่ใช่จิตเราสามารถสอนจิตเราได้ไหมสอนจิตให้รู้จักเวทนาไหมเนี่ยถ้าหาว่าใครลองก็จะรู้ว่าไอเวทนาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเรียกวว่่าาาเเทนรไม ยึวเวทนาเป็นของเราเราปล่อยวางมันไปตามธรรมชาติขางนราจิตเราก็จะวางเวทนาได้ก็เห็นว่ามันเป็นสักว่าเวทนาตัวตนของเราก็ไม่เกิดขึ้นเวทนาก็ไม่มีผลต่อจิตเราจิตเราก็วางเวทนาได้วางเวทนาได้ก็คือวางเวทนาขันได้มันก็เป็นสว่ากองแห่งเวทนามันไม่เวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราอีกต่อไปนี่คือปัญญายามที่มันเกิดขึ้นกับเราอาการของร่างกายมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นยังไงเราก็รู้รู้ว่ามันเกิดขึ้นแต่จิตเราเนี่ยมันก็รู้อยู่ไม่มีผลต่อจิตจิตรู้แล้วจ ไ ด, ดเาา้เห็นสักตะว่ากายเห็นสักแตะวาา่าเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เกิดเกดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปหรือมันจะดับหรือไม่ดับ จ, จิตเราไม่สนใจต่อไปก็เรีย ก, กวก่าจิตเราปล่อยวาง จ, จิตเรามีปัญญาเราต้องการปัญญาชนิดนี้ไม่ใช่ปัญญาที่สามารถรู้กว้างรู้มากมายเล่าไปตกเฉียงกันไม่ใช่อย่างปัญญาที่เรารู้ความจริงที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วเราปล่อยวางได้เฉพาะหน้ามันเกิดขึ้นดับไปแล้วจิตเราเนี่ยเป็นอิสระไดะ้จิตเราไม่ไปติดไปค้องไปเกาะไปเกี่ยวไปพัวพันอย่างนี้ทุกไม่เกิดเพราะมันไม่เกาะเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมามันเกิด แล้วกระดับไปผ่านมาแล้วผ่านไปจิตเราเข้าถึงความจริงมันก็เลยเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราเน้แต่จิตจิตมันคิดได้พระเจ้าก็สอนมันคิดก็รู้มันคิดจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านเนี่ยไม่กลัวความคิดเนี่ยจิตกังวลรู้วกังวลกลัวรั้วกลัวรู้ไปเรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นกับจิตรู้รู้ไปจนกระทั่งจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นนู่ขนาดนั้นนะจนสุดท้ายเลยจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นยจิตยังไม่หลุดพ้นก็รู้ว่ายังไม่หลุดพ้นจิตมีราคาก็รู้ว่าไม่มีราคาจิตไม่มีราคาติ ในขณะที่มันเห็นเห็นเนว่าเออมาอะไรเกิดขึ้นกับจิตแล้วเกิดแล้วก็ดับมันเป็นของมันอย่างนั้นมันก็มาในรูปของสัญญาก็ได้เรียกว่าสัญญาขันมาในรูปของสังขารเรียวสังขารล้เห็นวิญญาณมันก็เกิดดับเหมือนกันก็สักตะว่าวิญญาณของเรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นสักแต่ว่านี่แหละการตัดสรู้ของพระเจ้าเนี่ยก็คือมารู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเองนะที่เราปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้รู้จักตัวเองนะรู้จักกายรู้จักจิตของเราให้สมบูรณ์ขึ้นมาเรารู้อย่างอื่นมากมายนะวิชาการต่างๆมากมายเตต็มโลกแ่ พระพุทธเจ้าสอนให้เข้ามาเรียนรู้จักตัวเอง เข้ามาเรียนรู้สิ่งที่ก่อเกิดเป็นตัวเราเป็นร่างกายของเราเป็นจิตใจของเราเป็นรูปแล้วก็น้ำเป็นรูกประธาแล้วก็นามมาธาซึ่งรวมเข้ามาเป็นตัวเราร่างกายก็ดินน้ำลมไฟฝ่ายรูปถ้ารู้จักแต่ฝ่ายรูปก็ไม่สมบูรณ์มันก็ได้แต่วัตถุถ้ารู้จักแต่ฝ่ายนามฝ่ายรูปก็ไม่สมบูรณ์ต้องรู้จักฝ่ายรูปอย่างสมบูรณ์แล้วก็รู้ฝ่ายนามอย่างสมบูรณ์จนเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราอะมันเป็นธรรมชาติถ้าใครสามารถเข้ามารู้แจ้งในเรื่องเกี่ยวกับ ตัวเองแล้วความลี้ลับทั้งหมดในจั ก, กรวาลก็หมดไปเมื่อรู้จักตัวเองดีแล้วไปสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกก็จะมีความพอดีมีความเหมาะสมมีความลงตัวไปหมดเพราะฉะนั้นความสําคัญจึงต้องมาเรียนรู้ตัวเราเองให้แจ้งชัดให้ทั่วถึงให้บริบูรณ์สมบูรณ์พระพุทธเจา้าพระองค์ได้ตัดสรู้สิ่งสิ่งนี้พระองค์หมดสิ้นอาสวัคิเลสก็พระองค์มีสติเห็นรูปและนามอย่างสมบูรณ์รู้ว่าฝ่ายลูกก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอีกต่อไปเป็นสัตว์แต่ว่าทา ตามธรรมชาติเท่านั้นมันเป็นไปตามเหตุตามปจาัจจัยไฟนม้มถึงมันจะคิดนึกปรุงแต่งไปได้มันก็เป็นแค่ธรรมชาติอันห น, นที่ไม่คิดปรุงแต่งได้เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอีกต่อไปมันคิดแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อพระองค์เข้าใจเรื่องรูปและนามอย่างบริบูรณ์สมบูรณ์ก็คือประจักษ์ความจริงเกี่ยวกับ ตัวเองอย่างบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วความยึดมั่นถือมั่นความหลงหมดไปกิเลส ก, ก็หมดสิ้นไปตัณหาดับไปอวิชชาดับไปหมด จ, จึงเรียกว่าหมดสิ้นอาสวัคเลเอาสวัคไกยาก็บังเกิดขึ้นแก่พระทัยของพระองค์แล้วพระองค์ก็ได้ประทาน์คำสอนเอาไว้ให้เราได้ยินในฟังว่าถ้าหากว่าอยากจะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์แล้วก็ต้องมาเจริญสติจเจริญสติจนสติสัมปชัญญะมีกำลังทำมาทั้งหลายก็จะรวมเข้ามาอยู่ในจิตใจของเราพอมีสติแล้วเนี่ยศีล ศีลมันก็จะถูกควบคุมด้วยสติสัมปชัญญะมันคิดไม่ดีแค่คิดไม่ดีเนี่ยมันก็มีความละอายขึ้นมาแล้มีความระมัดระวังอยู่ในจิตแลวความคิดนั้นเกิดแล้วกระดับไปเนี่ยศีลก็จะสมบูรณ์ขึ้นในสมาธิก็คือจิตของเราที่ตั้งมาปัญญายาณเนี่ยก็รู้ความจริงเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือไม่ว่าเราจะมองในแง่ไหนยกธรรมข้อไหนขึ้นมาถ้าสติสัมปชัญญะของเราสมบูรณ์เมื่อไหร่ธรรมะทั้งหลายต้องรวมเข้ามาที่จิตใจของเราทั้งทำให้บริบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นมาในใจของ อ, ของเรากกกยูู่ััััับบบปปจจุุุนนท อะไรเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ดับไปใจเราก็เป็นอิสระถึงมันจะเผอไปเราก็รู้ว่ามันเผอแล้วก็ลแ ล, ะะล้วไปนั่นแสดงว่ามันเป็นธรรมชาติของจิตถ้าหาว่าสติสัมปชัญญะเรามันสมบูรณ์ขึ้นความเผอเพลินไปก็น้อยลงไปลดลงไปไม่เรื่อนไปเรามายังสถานที่กัสรูของพระพุทธเจ้เาพระองค์ได้อาศัยพระไทยที่เข้มแข็งอาศัยพระไทยที่มีความเด็ดเดี่ยวอาถานมุ่งตรงต่อการปัสรูธรรมได้ใช้พระไทยที่เด็ดเดี่ยวตั้งสัจจะจนกระทั่งบรรลุธรรมในสถานที่แห่งนี้เราในฐานะเป็น สาวกของพระพุทธเจ้าก็ต้องพยายามยกใจของเราให้มีความเข้มแข็งมีความเด็กเดี่ยวอาถามริงไหนไม่ควรทุกข์ก็อย่าให้มันมาเกิดทุกข์ในใจเราอีกต่อไปเรื่องราวต่างๆที่เราชอบคิดนึกไปแล้วเราตัวเองเป็นทุ ก, กข์พอกันทีสิ้นสุดกันเดียดีอย่าทําตัวเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษชนิดที่คิดให้ตัวเองเป็นทุกข์ได้ไง่้ยชอบคิดให้ตัวเองเป็นทุกข์ได้ทุกเรื่องต้องให้มารู้เท่าทานต้องอาศัยนี่แหละเรามาก็มีอาศัยสถานที่อาศัยที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมอาศัย ใใความใกล้ชิดต่อพระพุทธเจ้าเหมือนกับว่าอาศัยสถานที่แห่งนี้สิ่งแวดล้อมแห่งนี้เป็นสถีพยานเพื่อที่จะตกลงใจเพื่อที่จะให้มีกําลังสอนจิตใจตัวเราเองให้มีความมุ่งมั่นมีความบากบั่นมีความเพียรพยายามมีความอดทนเหมือนพระพุทธเจ้าให้มีความพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้มันพัฒนาขึ้นมาแรืดีขึ้นมาสิ่งไหนที่มันไม่ดีที่มันเป็นทิศเป็นภัยต่อใจเราทําให้เราเป็นทุกข์ใจละมันออกไปให้มันหมดสิ้นไปจากจิตใจของเร า, าต่อไปให้เราเ น, น สมาธิตามลาพังนะเวลาสมควรนะเราจะนั่งไปอีกสักินาทีนะหรือ20นาทีอีก20นาทีเพราะว่าตามเวลาที่